จะใทางขดามอำเภอนายูงก็นานทีผู้ว่าจะได้เข้ามาในท้องถิ่นของพวกเราช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเหมือนกันเลช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองก็ทําาเป็นมงคลอันนี้ก็เจ้าเมืองอุดรจะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอำเภอนายูงทั้งท่านในอำเภอทั้ง ส่วนหัวห น, น้าสวนรัชการทุกหน่วยเหล่าก็ต้อนรับขับชู้อันนี้เป็นของธรรมดาคือเป็นผู้ตื่นตัวผู้ใหญ่เข้ามาก็ต้องตื่นตัวอย่างนี้อย่างวัดของเราก็เหมือนกันถ้าองหลงตามาพวกเราก็ต้องตื่นตัวไม่ใช่ว่าเฉยเฉยมยเชังกระตายใช่ไม่ได้นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ชักคล้ายๆว่าผู้ใหญ่เข้ามาพวกเราต้องตื่นตัว ต้องตอนรับแต่ที่ท่านก็ได้๋ยวไปชุมหารือก่อนเตรียมงานกอนในมณพระสงฆ์ทั้งหมดห้ารูปคงจะนนมณ์ลงพ่อชาลีแล้วก็เจ้าคณะอำเภอฝั่งฝ่ายมหานิกายวัดเทพสิงหารองไหนบ้างท่านอาจารย์สดองหนึ่งนะครัวมันเป็นห้ารูจะไปในงานนะในวันนั้น ก็คงอยากจะให้พร้อมๆกันทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลักษณะอย่างนั้นคือจะได้อัญเชิญคำพูดของนายหลวงเศรษฐกิจพอเพียงมาพูดขยายผลให้พี่น้องประชาชนแล้ก็พร้อมกันก็ให้ประสงค์รับรู้รับทราบพอประสงค์ในท้องถิ่นมีกี่รูปแต่คณะท่านนายอำเภอกับกลุ่มก็เห็นว่าประชุมหารือกันแล้วว่า อยากจะให้หลวงพ่ออินพูดเหมือนกันนะให้หลวงพ่ออินเป็นผู้แสดงความคิดเห็นในวันพนุธนี้ในเมื่อท่านผู้ว่ามาในที่ประชุมแล้วไหว้พระรับศีแลแต่ก็คงจะ ม, มนมลหลวงพ่ออินกล่าวเรื่องเกี่ยวกับปีน้องประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่หลวงพ่อยังคิดวาดวันอยู่เหมือนกันะพูดต่อหน้าผู้ว่า หลวงพ่อก็เรียนมาน้อยอต่างหากไม่ได้เรียนแต่กว้างขวางไม่ได้เป็นดกต่งดูกเตอร์เหมือนกับทางโลกของเขาหลวงพ่อเองก็บวชเขามาแต่เล็กแต่น้อยอีกต่างหากครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนไกลอีกต่างหากเวลาเรียนก็ให้หลับตาอีกต่างหากอพอหลับตาให้ให้พุทธยต่างหาก ก็เลยเรียนน้อยไปหลงพ่อนะ่ะก็เลยเรียนแต่พูดโผกับหลับตาอีกต่างหากไม่ให้ลืมตาเพราะฉะนั้นการเรียนของหลวงพ่อเนี่ย แ, แตกต่างกับคนทั้งหลายแอนแปลว่าพระเรียนเนี่ยทุสิวันเรียนแบบน้อยมากว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นจะอธิบายให้กว้างขวางในที่สาธารณะนี่หลวงพ่อกวาดวันเหมือนกันนะไม่รู้จักอธิบายยังไงให้กว้างขวางได้ ตัวเองเรียนมาก็เรียนมาแบบเสร็จหลับหูหลับตาและก็ให้ดูใจของตนเองด้วยเวลาพระพุทธศาสนาพุทธอุบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้มีสมาธินะสมาธิก็เหมือนกับเราปิดปิดตูหน้าต่างเข้าไปนอนอยู่ในห้องอย่างนั้นและแล้วไปนั่งอยู่ในห้องเงียบอย่างนั้นนหะ คือไม่ให้รับรู้ภายนอกเวลาเปิดประตูให้คิดเปิดประตูให้ออกมาคิดคิดยังไงเวลาปิดประตูเวลาจะให้หยุดคิดหยุดคิดยังไงก็เข้าประตูอีกเวลาเปิดประตูให้คิดคิดยังไงสรุปแล้วก็คือให้หยุดคิดและให้คิดแต่วิชาทางโลกของเขานี่จะให้คิดให้พิเคราะห์ ให้จดจำให้ค้นคว้าและวก็หาเหตุผลมีแต่คิดอย่างนั้นคำว่าหยุดคิดจะไม่มีตําราเล่มไหนก็ไม่มใีในวิชาทางโลกของเขาแต่หลวงพ่อเนี่ยเรียนวิชาหยุดคิดแล้วก็วิชาให้คิดแต่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าวิชาของ เพราะพุธศาสานาที่หลวงพ่อจะเอาไปพูดเนี่ยหลวงพ่อจะรู้จะพูดยังไงทั้ในที่สาธารณะก็คงคิดหนักใจเหมือนกันก็คงจะคิดทางโลกวิชาพอเพียงก็คงจะมอบให้ทางฝ่ายบ้านเมืองของเขาเป็นคนพูดกันทํายังไงจึงจะพอเพียงพราะเขาก็พูดกันมามากเท่ามากแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพูดต้นตอของเรื่องต่างๆ้น ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยทำยังไงจึงจะพอเพียงถ้ามีความโลภอยู่ในใจมันก็ไม่พอเพียงถ้ามีความโกรธอยู่ในใจมันก็ไม่พอเพียงถ้ามีความรักโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจแล้วมันไม่พอเพียงทั้งนั้นถ้าว่าจิตใจของเราดุจละโลภโกรธหลงในจิตในใจแล้วนั่นแหละมันจะพอเพียงเอง เพราะมันอยู่ในใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านจึงในหลักธรรมมีหลายหลายอย่างให้รู้จักเหตุอันนี้เป็นเหตุแห่งสุขอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ให้รู้มันออกมาจากไหนเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกขนะ์นั้นก็ต้องใช้ปัญญาอีกให้รู้จักเหตุแล้วก็ให้รู้จักผลผลมันมาจากเหตุอย่างนี้เราทาอย่างนี้มันคือเป็นผลออกมาอย่างนี้ เราที่เกียดมันจึงเป็นผลอย่างนี้เราที่เกียดพรภาวนามันจึงเกีตปรุงฟงส่้นอย่างนี้เรามีเรื่องอะไรเราคิดปรุงฟงสัน้นมันจึงเป็นอย่างนี้อันนี้แปล ว, ว่าให้รู้จักผิตแล้วให้รู้จักผลให้รู้จักตนตนอยู่ในฐานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ในฐานะไหนเราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไร เราเป็นโยมเราควรทำตัวอย่างไรเราเป็นข้าราชการเราควรทำตัวอย่างไรให้รู้จักตนน่ว่าอัตตัญญุตาถ้าเปรียบเทียบและก็ให้รู้จักประมาณตนอีกทนให้รู้จักประมาณตนเราการเป็นอยู่ของเราเราจะทำตนอย่างไรในการเป็นอยู่ของเราจึงจะเหมาะสมเมื่อเราเป็นข้าราชการเงินเดือนขนาดนี้เราจะเลี้ยงชีพด้วยอย่างไร ถ้าเราเป็นพระอย่างนี้เราก็ควรทำตัวอย่างไรเราจะไปหาแผลหาขอหาเรี่ยหาอะไรพูดจนคนอื่นําคาญมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของพระเพราะนั้นให้รู้จักตนว่าการเป็นอยู่ของเราอย่างไรอย่างพวกเรามาอยู่ในครัวก็เหมือนกันมาทำงานมาอยู่ในครัวเราก็ต้องรู้จักว่าเราเป็นยางไรเราควรทาตัวอย่างไร เราเป็นพระปวดเข้ามาพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระใหญ่เมื่อเป็นพระหัวหน้าเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นพระลูกน้องเราควรทำตัวอย่างไรอันนี้ก็ให้รู้จักตนและการรู้จักการการเวลานี้ควรทำอย่างไงเวลาไปบินทบาทเราก็กลับมานอนใช่เวลาเราเขาจะให้ผ่กถอนกลางคืนตัวเองก็ไปหาปักกวาดอย่างนี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันไม่รู้จักการการควรทำอย่างไรและศาสนาที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่อย่างนี้เมื่อเข้ามาแล้วเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องนั่งฟังด้วยความสงบงบเงียบพอมาศาลาถ้าเราไปลงหนังลงลครเราจะไปนั่งทำรรมั่พเพียรแบนี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกแล้วเราก็ต้องสนุกสนานเพิดเพ่อเดหะ เมื่อเราไปเห็นไปในงานศพเขาเราจะไปหัวเราะล่าเริงก็ไม่ได้เราเห็นเขาเศร้าเราก็ไปปลอบใจเขาหรืออย่างน้อยก่็ทําให้เงียบเงียบหนึ่งเพราะว่าเห็นเขาเศร้าโศกสรุปแล้วก็คือเราทําให้รู้จักการสถานที่สถานที่เราควรทําตัวอย่างไรแล้วบุคคลบุคคลคนนี้เมื่อเข้าไปหาควรทําตัวอย่างไรเมื่อเป็นเข้าไปหาผู้ใหญ่ เราทำตัวอย่างไรเมื่อเข้าไปหาผู้น้อยทำตัวอย่างไรเข้าไปหาเด็กเราควรทำตัวอย่างไรไปหาครูบาอาจารย์เราควรทำตัวอย่างไ ร, ไ ร, ร, ร, ร, งไรสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาทั้งหมดถ้าว่าพวกเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนไตรตรองตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วมันออกมาจากใจทั้งหมดรึ่นเรื่อ ง, องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้ว้วยใจข้าว่าใครก็ตามดูใจของตนเองซ mm hmm. ักฟอกใจตัวเองให้รู้จักแนวความคิดของตัวเองรู้จักดีรู้จักชั่วในใจของตนเองเสียงเราอื่นมันดีไปหมดแต่ทุกวนันในพวกเราแต่มีแต่ดูหมากดอกและผลดูดอกและผลของมันถ้าว่าเราอยากจะได้หมากแล้วก็ต้องดูหมากผลของมันถ้าเราจะได้ดอกก็จะดูดอกของมันถ้าเราอยากจะได้ใบแล้วก็ดูใบของมัน เรไม่ได้ดูดินดูโคลนต้นของมันว่าต้นไม้ตัวนี้มันกินปุ๋ยอะไรกินน้ําขนาดไหนมันอยู่ยังในสภาพไหนมันจึงจะจะพอเหมาะจริงจะได้ จ, จ, ง จ, จึงจะผลิต ด, ดอกออกผลขึ้นมาได้อันนี้พวกเราทั้งหลายลืมลืมดูต้นต่อเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่ท่านให้ดูต้นตอนให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนานที่หลวงพ่อเรียนหลวงพ่อไม่ได้เรียนมากนะ เรียนดูใจเขาเองเวลาเรียนก็หลับตายต่างหากพุโทโธพุโทโธเรียนพุโทโธคําเดียวเท่านั้นหยุดให้หยุดคิดตรงนั้นแลว้วไปเรียนคิดคิดยังไงอวิธีการคิดหลวงพ่อจะที่บายให้ฟังในะพวกเราคงจะไม่ได้ทานอาหารวันเพราะวิธีคิดคิดยังไงมันกว้างขวางเหลือเกินแนวแถวที่พระพุทธเจ้าให้คิดแต่ให้หยุดคิดเนะี่ยทําใจให้สงบ ในหลักวิชาการในหลักวิชาทางโลกของเขาไม่มีพูดอย่างนั้นได้ให้หยุดคิดเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นบา้าเป็นบอกกันมากต่อมาเพราะเหตุไรเพราะมันคิดปุงฟุ้งไม่รู้จักหยุดจับยั้งพผลในสุดคิดออกมากๆก็เลยทําให้ตัวเองสติแตกเป็นบ้าไปในง่ายง่เพราะเหตุไรเพราะพวกเราคิดมากเกินไปแต่ไม่รู้จักหยุดคิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท้าว่าไปแล้วหลักของพุท ธ, ธาศาสนานี่ มันอยู่ในไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเลยอยู่ใ้ใกล้ๆพวกเราเนี่นะอยู่ในกายวาจาใจของพวกเรานี่แหละที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเบื้องต้นว่ารู้จักเหตุก็ดีรู้จักผลก็ดีถ้ายกเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระบาลีออกมาแล้วก็ทำมันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัฏฐานยุตาเป็นผู้รู้จักผลอัรกนยุตตาให้ผู้รู้จักตน มตัตตยุตตาให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ของตนภริสันยุตตาให้รู้จักเป็นชุมชนเมื่อเข้าไปหาควรทาตัวอย่างไรการันยุตตาให้รู้จักการเวลาเราควรทําอย่างไรเมื่อถึงการที่มาถึงปุขระโปรปรันยุตตาให้รู้จักบุคคลคนนี้ควรเข้าไปหาควรทําตัวอย่างไรกับบุคคลเช่นนี้คนคนนี้เนี่ยถ้ายกเป็นบาลีออกมาเป็นอย่างนั้นแต่คนทั้งหลายไม่ชอบ ทางมาพูดเป็นบาลีขึ้นมาเฮ้ยห่วยคือลัสมัยไดโนเสาร์ไมาอยากฟังถ้ายกเป็นคําพูดออกมาเออค่อยยังชั่ว น, นะครับพวกเราจึงไม่รู้จักหลักของพุทธศ า, า, า, า, า, า, าสานาศาสนาพุทธศาสนาเยาวราชานาเป็นศาสนาเป็นหลักนั่นคืออะไรนี่แหละประทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านประกาศมาตั้ง 2,500 กว่าปีเอามาปัดผุนเอามาพูดดูสิ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเด็กก็ดีถ้าไปแล้วไม่รู้จักกาลเทศะไปนั่งกับไปหัวสูมคุยกันแล้วจะให้เด็กเขาดีได้ยังไงเวลาไปฟังอภิธรรมภาคสวดกูเหมือนกันไปนั่งคุยกันจุดนั้นไม่ใช่จุดคุยกันเป็จุดเป็นนั่งฟังแต่ว่าไม่รู้จักกาลเทศะมันดูแล้วมันมันเป็นยังไงนะมันขวางหูขวางตาไปหมด ถ้าหาว่าพูดที่มีปัญญาเนะ่ยมีแต่พวกโง่งโง่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่รู้จักกาลเทศะทําออกไปก็ทำมีกันเลยเป็นอย่างั้นเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนั้นแต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้หลักธรรมถ้าเอาหลักธรรมมาพิจารณาออกมาวิเคราะห์แล้วออกมาวิเคราะห์ด้วยสิที่ตรงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอามือก่ายหน้าผากคิดก็คิดไปจะนอนคิดก็นอนคิดกัน ออกไว้ห้างคิดก็คิดไปมันถูกทั้งนั้นคือหลักเหตุผลจะคิดนอนคิดเดินคิดยืนคิดอะไรก็คิดก็คือหลักเหตุผลให้รู้จักเหตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการเป็นอยู่ของตนรู้จักการบริหารของตนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแนวความคิดให้รู้จักให้รู้จักใช้ปัญญาทั้งหมดเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดสิ ยาวพอชงขวดหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อเรียน้อยเพรางั้นะไม่ได้เรียนอะไรมากเวลาเรียนกลับใจต่างอากแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธให้ดูใจของตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นไม่ได้เรียนตำรับตำรากว้างขวา ง, วางยืด้าเหมือนกับทางโลกของเขาเรียนเรียนไม่รู้จักจบเรียนไม่รู้จักสิน้นไม่รู้จักตําราไม่รู้จักขีเลี่ยนจกขีเลี่ยนสรุปแล้วก็คือ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่างโบราณเขาว่าลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวแล้เอาตัวไม่รอดจริงๆถ้าว่าพวกเราวางตัวได้ดีแล้วนั่นละ่ะหลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าการดำรงชีวิตของเราอย่าตั้งเป็นความประมาทให้เหมือนกับไตรวดเช่นเดียวการไตรุดเช่นเดียวยังไงคนโบราณก็เห็นไม่ไตเชือเช่นเดียว ให้เข้าประคองสติอย่างเต็มที่ถ้าว่าไทยก็ตามถ้าไต่เชื่อเช่นเดียวแล้วกินเหล้าซะก่อนอยังไตเชือ่อตั้งแต่ขึ้นก็ยังตกลงมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะดำรงชีวิตของเราเราจะจะเปะสั ป, ปะกินเหล้าเมายาสุรานาฬีภาษีกิฬาบัตรอะไรมัลุมมาตุ่มจะดำรงชีวิต ชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบเื็นเศรษฐกิจพอเพียงนั้มองไม่เห็นมองไม่เห็นหนนทางเลยที่จะเห็นที่ที่จะเศรษฐกิจแต่พอเพียงได้แต่ถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักบริหารกับตัวเองดูตัวเองบริหารตัวเองนั่นล่ะจะไปรอด แต่นี้พวกเราเรียนมหาวิทยาลัยไหนเกือบทุกมหาวิทยาลัยต้องมีวิชาบริหารจัดการเรียนบริหารจัดการมีหลายแขนงอีกบริหารจัดการแต่ลืมลืมบริหารจัดการต้นต่ อ, อต้นต่อคืออะไรคือใจคือตัวเองเอก็เลยบริหารจัดการที่อื่นการเงินการทองอะไรการตรงการตลาตลดเลยลมนน้มในเนรนาดไปทุกวันนี้เพราะเหตุไรเพราะดื่มดูตัวเองเหมือนกัน หงพ่อว่านอะลืมดูตัวเองเอบริหารแต่ข้างนอกก็เลยข้างนอกมันก็เลยข้างในมันพักดันออกไปมีแต่โลกมีแต่โกรธมีแต่หลง เ, ลเองฉันทาสติโทยสติโมหสติพญาสติพักดันออกไปคนี้สุดเธอก็เลยล้มใ น, นเนรนาฏไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่พวกเราทัท้งหลายได้เห็นหเพราะลืมลืมบริหารจัดการกับตนเองหากดูบริหารจัดการกับตนเองแล้วนั่นแหะ กิจกรรมการเป็นอยู่และเศรษฐกิจของเราจะพอเพียงเองเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะในยินในฟังวันนี้ก็เป็นแนวความคิดเหมือนกันที่หลวงพ่อจะไปพูดวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะพูดออกทางไหนตรงไหนละ่ะเพราะว่าผู้ว่านั่งอยู่ต่อหน้าเลยหลวงพ่อก็เป็นผ้าป่ายิ่ต่างหากน ะ, ะความรู้น้อยอย่างที่ว่าเนะี่ยพิธีรันการเรียนกาเรียนแตก ต, ต่างกว่าคนทั้งหลายที่เขาเรียน หลับตาจังก่อนยังค่อย่องพุทธโธดูแต่ใจตัวเองเท่านั้นนะแต่ถ้าพร้อมกันพวกเราอย่าลืม เ, เกิดมาแล้วชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมขุณงามความเดียวไว้นะ